พอสิบัดนี้รายการเครื่องมีความสดหน้าป่ะรู้สึกมันยังอยู่ จะมาดูของจริงนะครับดูเพื่ออะไรก็ เกิดไปเป็นธรรมดาเจ็บตายให้เห็นว่ามันเป็นเพียงร่างกายเป็นธรรมดาการ 32 จึงดู ยังลงพ้นความตายไปไม่ได้ความตายไปเป็นธรรมดาต้องทนความตาย เรามีคู่ครองเรามีคู่ครองก็ต้องมีทุกข์ตามมาทุกข์กับคู่ครองทุกข์กับครอบครัวมันเป็น ต้องมาโทษกับคู่ครองต้องคอยดู ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วถ้ายังอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ไม่เข็ด ถ้าอย่างเงี้ยจะอยู่คนเดียวน่ะไม่ทุกข์เราก็ การดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเรานึกถึงร่างกายของ อวัยวะๆภายในก็ได้หรือจะดูตอน เราใช้อสุภะคือนึกถึงร่างกายที่ไม่สวย เวลาไปไม่น่าดูคนที่โรงพยาบาลหน้า เราต้องทําใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจเราไม่สงบนี้ เป็นเพราะว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องก็เลยไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ หมอจะถอนฟันคนไข้ถ้าไม่ฉีดยาชา เพื่อให้ค่อนคลายนั่งนอนนิ่งๆเฉยๆพอเวลาที่ผ่านี้มันจะไม่รู้สึกความเจ็บไม่รับรู้ความเจ็บฉันใดสมาธินี้ ใจยังมีความสงบอยู่แต่ใจคิดได้แล้วก็มาคิดศึกษาความจริงเพราะอะไรเพราะมันต้องแก่นะมันต้องเจ็บ เนี่ยมันเป็นตัวเราอยู่ตรงไหนอนัตตาก็ลองค้นดูในร่างกายดูว่าไม่มีตัว แล้วถามไปไล่ไปดูเลยว่าตรงไหน 32 ถ้าเราดูบ่อยๆถ้าเราจะที่ เวลาศึกษาสรีระของร่างกายอนาโทมีร่างกายนี้ไม่มี พวกที่มามาซําระรถยนต์เอาชิ้นส่วนขายไม่มีเจ้าของอยู่ในรถยนต์ อย่างชัดเจนว่าคนที่ดูกับร่างกายนี้เป็น ใจมันเป็นเหมือนมนุษย์น้องหุ่นมันไม่มีรูปๆถ้าใจไม่ อาคิลลาก็สั่งไปที่วาจาให้ชวนเพื่อนฝูงเช่นคนสั่งแยกออกจากร่างกายร่าง มาที่นี่ได้ด้วยตนเองที่นี้ได้ด้วยตนเองนี่คือ ด้านด้านบวกไม่ชอบดูด้านลบคนที่มาศึกษา มีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมมีทั้งเกิดมีทั้งตายอ่าพอ ใจกลัวจะเจอความจริงเลยอยู่อย่างมีความหวาดแล้วไปหาหมอนี่กลัวแล้วเรื่อยๆว่าต่อมาแล้วๆ แล้วมันก็มีอยู่ 3 โรค 3 ชนิดด้วยกันแรกก็คือเป็นแล้วหายเช่นเป็นหวัดสัก 3-4 วันมันก็ ถ้าไม่รักษามันก็เรื้อรังมันไม่ยอมหายของมันเองอันนี้ก็ต้อง 3 ก็ก็รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่รอคนไม่ช้าก็ 3 ในที่ 3 เอ่อนั้นคนที่เป็นเจ้าของร่างกายถ้าศึกษาไว้เรื่อยๆว่ามันจะต้องเจอจะได้เตรียมตัวแล้วจะ ของมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นเหมือนเรา นอกกาฐิงเหมือนว่าอยู่ที่นั่นร่างกายนี้ก็สนามเบ็นไปลงสนามเบ็นก็ไปลงที่ท้องแม่ท้องแม่แล้วก็เช่ารถของแม่ออกเช่าร่างกายของแม่ออกมาแล้วก็พาร่างๆนานา พอถึงเวลาที่เราจะละโลกนี้ไปเราก็ทิ้งมันๆ พอถึงเวลาเราก็ขึ้นเครื่องไปแล้วเราอยากจะไปสวรรค์ ไปเป็นเทศไปเป็นพรพอเงินหมดแล้วก็ต้องกลับมาหา ต้องทําทั้งทานต้องทําทั้งศีลต้องทําทั้งสมาธิ อันนั้นจากดินน้ํานมใสมันไม่สวยไม่งามเวลาเห็นๆยังไม่ล้างหน้าล้างตา ตาย 3 วันตาย 5 วันขึ้นอื่นพองขึ้นมา คู่เดี๋ยวก็หาคนใหม่มาแทนคราวนี้ตายไปเดี๋ยวก็หาคนใหม่มาแทนหามากี่คนมันก็ต้องมี แล้วพยายามนี้ไปๆจนกว่าจะตัดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างให้ เจริญศึกษาความจริงได้ได้ศึกษาความจริงได้ต้องทําใจให้สงบก่อนต้องวางยาสลบให้กับ ร่างกายมั่งมั้ยใต้ผิวหนังใต้เนื้อนี่มีอะไรบ้างมัน ตัวไฟไหม้บ้างคิดอย่างนี้ไงนั่งเวลานี้ไฟถ้าไฟ ถ้าไว้ไปดูหนังสือไปๆถึงจะไปเปิดดูกันหนังสืออนาโทมีเนี่ยเปิดดูไม่ค่อยเปิดดูต้องดู <c oughs> <c oughs> อินเทรเนกไตรโอตารปัสวะของเขาได้ <c oughs> มองความจริงที่ใจไม่อยากจะมองความจริงที่ใจไม่อยากจะมองที่กิเลสไม่ชอบให้มองต้อง ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องของกามารมณ์ๆได้ความอยากนี้มันเกิดจาก เขาถึงพยายามๆนี้มีแต่เครื่องดื่มล่อใจเราสถาน เวลาถ่ายภาพครอบครัวนี่จะเอาแต่คนหน้าตาดีๆสวยดี เวลาโฆษณาสินค้านี่โอ้โหเหมือนกับโลกนี้เป็นโลกโลกสวรรค์มี มันกลายการเป็นของไม่ดีของไม่น่าดูไปในโลกของ ดูไว้ในความจริงเพื่อมัน เป็นเหมือนกับตอนที่คิดด้วยมั้ยตอนนี้คิดว่าคนเราต้องจากกันเนี่ยๆใช่มั้ยไม่รู้เมื่อเปเปเปเป 2 วันก่อนก็มีผู้หญิงคนนึงเสียพี่ อ๋อตอนนี้อ่ะใจไม่จิตใจไม่ดีเลยจิตปากว่าไม่เท่า เนี่ยเวลาพูดไปปากเปียกปากขีมันก็เฉยๆไม่รู้ 3 เดือนอยู่ดูซิว่า 3 เดือน 3 เดือน ต้องไปหาหมอให้หมอก็ยืนยันว่าจริง 3 เดือนนะก็แล้วเราต้องพยายามผลิตอ่ะ ร่างกายมันตายแต่เราไม่ได้ตายแต่เราทำไมไปกลัวแทน คนละคนกันคนละส่วนกันนะร่างกายตายไปก็ตายไปไป พระนิพพานเนี่ยก็ต้องทําข้อสอบเหล่านี้ต้องทําข้อสอบคือความแก่ เฉยๆเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราพูดถึงความ ความจริงขึ้นมาเก่งๆแล้วซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมรับกับความจริงแล้วก็ไปหาห้องสอบไปเข้าห้องสอบกัน ไม่เห็นมาหลอกแล้วเลยพอเราไปอยู่ใกล้ อ่าศพเค้าเค้ามีร่างกายเค้ากับร่างกายเราก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันตรงไหนต่างตรงที่เค้าไม่หายใจร่างกายเรา มันมีผมเราก็มีผมมันมีขนเราก็มีขนมันมี <c oughs> เราใช้ปัญญามาสอนด้วยเหตุด้วยผลเปรียบ เออมันมีหนังเราก็มีหนังท่านบอกไล่ไปได้มามี จะนะเลยพิจารณาเรื่อยๆแล้วมันจะได้หายกลัวหายทุกข์กับร่างกายพอมันปลงได้เพราะยอมจนจนมุม ถ้าหวงแล้วมันทุกข์แล้วไปหวงมันทําไมถึงเวลา มันเป็นเหมือนรถเช่าเราไปเช่าเข้ามาเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องคืนรถที่คืน ถ้าเขียนวินัยกรรมไว้ว่าจะยกร่างกายนี้ให้โรงพยาบาลเค้าก็ส่งไปให้โรงพยาบาลถ้าไม่เขียนวินัยกรรมเค้าก็แต่สิ่งมาทรัพย์เป็นทรัพย์ จะตีกันนัวเนียไปหมดเวลาตายแล้วเวลาเราตายไปแล้วเขาไม่รักเราจริง คือการศึกษาร่างกายเอ่อให้ก็ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังๆมันต้องเจ็บคลายได้รักษาก็หายชนิดนี้เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย คนที่จะตายหมอก็ไม่รักษาอยู่แล้วแต่ก็พยายามประวิงเวลาไว้เท่าไหร่ก็จะเอาเงินคน ในเวลาที่ร่างกายมันรักษาไม่หายก็เอ่อเล็งตัวเตรียมใจดีกว่าเออ ท่านขี้เกียจไปทรมานกับร่างกายปล่อยให้มันดึกไปเองอยู่ไม่ได้ก็ปล่อย อยู่เพื่อจะได้ให้เราทรมานให้คนข้างเคียงทรมานกันไปนานขึ้นไอ้พวกที่อยากจะให้ รักษาไปไม่ต้องไปพาไปตัดมันอาการก็พอเอ่อฉีดยากินยาไม่ต้องไปผ่า มันสุขแล้วมันทุกข์กันแน่ร่างกายร่างกายมัน 100% ด้วย 50 50 ให้ 50 ให้ 50 เวลาไม่เจ็บคายได้ป่วยแต่ว่ามันสุขก็ ให้เห็นทุกในร่างกายเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเห็นการไม่ๆลม มันก็มาจากเด่นทั้งนั้นน่ะกินเข้าไปแล้วเนี่ยไปๆที่มันเสื่อม ส่วนที่ร่างกายไม่ใช้มันก็ถ่ายออกไปมันก็กลายเป็นดินไปดูดิมันก็เดี๋ยว 3 วันก็แห้งเดี๋ยวมันก็นี่แหละคือร่างกายมันก็แค่ดินน้ํา แต่แกว่าคนสวยจริงๆแน่จริงรองโคนศีรษะดูเลยเออดูสิจะสวยมั้ยคนหล่อขนาดไหนรองโคนศีรษะไม่ท้านางวังนางงามจักรวาลเลยไม่ท้าพวกๆหรือเปล่าอัน สภาพความเป็นจริงของร่างกายว่าเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปรักไปหวงเพราะย้อมผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมก็งอกนะก็ต้องย้อมมันย้อมไม่ได้กี่วันก็ต้องย้อม ไม่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับร่างกายจะไม่ต้องมาหวาดกลัวกลัวกลัวความตายกันกลัว โยคภาวะเนี่ยถ้ามีใจกับความตายอยู่กับสิงสาราสัตว์มันจะๆว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้วเนี่ยเวลาเดินมันก็ความ ขอภูมิใจไม่ให้ทุกข์ได้นี่คือหลักการของการปฏิบัตินะที่เราต้องทําอย่างต่อเนื่องและทําตลอด มันจะนึกถึงอสุภะสักครั้งนึงมันก็เลยสู้มันไม่ได้มันก็เลยจับนมัสไว้ มาอยู่เปกวิเวกมาเจริญสติมาทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ เรเราก็มีวิธีหายใจแบบใหม่วิธีหายใจแบบไม่ต้องใช้ร่างกาย ส่วนร่างไปดูคนแก่ดูนี้รับใช้ได้ชั่วคราวไม่ช้าก็ ภาวนั่งรถเที่ยวออกไปตามสถานที่ต่างๆเออก็ยังมีความอยากอยู่ถ้าไม่ถ้ามีความพุทโธพุทโธสบายกว่าไม่ต้องเณือน อาศัยสติสมาธิปัญญาแค่นี้ 3 ตัวนี้พอแล้วเพื่อนปัญญานี่ถ้ามีแล้วจะอยู่อย่างมีความสกอนเออ เราต้องพยายามพะเถกเหมือนเช่นมาฝึกเจริญสติหลับควบคุมใจไม่ให้คิดเอ่อให้พุทโธพุทโธไป อาตจักรสมาธิมาให้ความสุขอีกต่อไปใช้ปัญญาสารใจว่าต่อไปนี้จะไม่ ไม่วุ่นวายๆนี้ต่อไปละนะยาอภิญญาทาวาหรือวาหาปุราปาริ ชาเปปะระอินตุสังคปา จันทೋಪนะระโสยถา มณีโชติระโสยถาสัพพิกิโยวิวัจจันตุสัพพรกโวินัสตุมาเตภวตวัน อาทีวาธนสีลิตสะนิจัง ถ้าต้องการ you have anything to ask today? That's what it felt like. What? do anyway. you meditate? The day after, I woke up in a really, really Well, your, your mind changes. What you achieve from meditation is just a brief, brief result. Yeah. If you want to have it, last thing you have to do a lot. Yeah. Yeah. It's like eating. If you only eat one meal, yeah. a few hours later you become hungry again. If you want to maintain this fullness, going, you have yeah, to man. keep on eating. I've never so. experienced that before, you know. When you feel bad, just why don't you meditate? You know? Well, I did. I mm -hmm. did like for maybe an hour, that's all. Maybe two hours. And, mm -hmm. and then I'm okay because I went meditation again. Yeah. I've never my mind. You just have to keep on meditating. Yeah. Because your mind is constantly agitating itself. Yeah. yeah. So you need a tranquilizer to calm your mind. Mm. Yes. Meditation is the best form of tranquilizer. Mm. Because you can always have it. If you buy the tranquilizer, it has side effect. And, it, and sometimes when you cannot have it, then you, you could be in trouble. Mm. But if you can meditate, then you can always calm your mind. Mm. Yeah. It only happened for, like I said, a very short time, and then I in, mm -hmm. and I thought to myself, I wonder if the police has, has, has found out that I've started to fight my mind down mm -hmm. attacking me a bit more. Well, your police are always attacking you, see, but most of the time you don't know it because you let it do what it wants yeah. to do but you only see the trouble when you resist you, when you don't do what it, it asked you to do i think that's what i think กิเลสนั่นแหละกิเลสเนี่ย 24 ชั่วโมงแต่ธรรมะที่เราใช้ดักกิเลสนี้เรานานๆจะกินสักครั้งเหมือนอินทรีย์นานๆจะกินสักคืนโลกมันก็เลยไม่หายใครไม่ไม่หายเพราะเราไม่กินอย่างต่อเนื่อง ถ้าเรากินอย่างต่อเนื่องไข้ต่างๆก็จะหายไปเอาไม่กิเลสมันอยู่ในใจเราไม่ต้องไป ถ้าไม่มีความอยากก็อยู่เฉยๆได้อย่างตอนนี้ไม่มีความอยากก็นั่งเฉยๆคุยกันได้ถ้าเกิด พอทําตามมันแล้วก็ไปส่งเสริมมันให้มันมีเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็เข้าไป เวลาไปขอเงินคนอื่นเนี่ยถ้าไปขอแล้วก็ให้เดี๋ยวคราวหน้าก็อยากจะไปขออีกมั้ยถ้าก็ให้อีกก็ พุทโธพุทโธไปแล้วมันจะไม่ค่อยเครียดแล้วพอใจสงบมันก็ใหม่ก็ไม่กี่ครั้งต่อไปก็เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกกินเหล้า พอเรามาฝึกนั่งสมาธิแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอนี้ยอมบังคับมันมานั่งเดี๋ยวความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆจะหมดไปไม่คร 7 ครั้งอ่ะ มันจะหมดกําลังไปไม่เชื่อลองดูเลยหมดกําลังไปไม่เชื่อลองดูเลยถ้ามันที่ 7 ครั้งด้วยเดี๋ยวมันก็เฉยได้แล้วต่อไปมันก็เฉยชอบทําก็ได้ไม่ <c oughs> อยากหาสิ่งนั้นเสียงนี้มาหล่อเลี้ยงแต่มันไม่ได้เป็นยามันเป็นยาๆก็สวยดีไปหมดเดี๋ยวไม่ๆ ของเก่ามันเสื่อมแล้วได้มากี่เครื่องก็เสื่อมเหมือนกันเดี๋ยวได้ 6 มา ว, เด 7 เดี๋ยว 7 มา 7 แล้วเดี๋ยว 7 มา 8 แล้วเนี่ยสัก 10 ปีก็คงจะมีรุ่น 40 89 ตามมาชาติๆเพราะ อ๋อมันยังดีอยู่แต่มันเผล็ดอะไรนู่นอะไรนี่มาล่อใจว่าๆแล้วก็ ตัวของเราเนี่ยที่แท้จริงก็คือความอยากของเราเนี่ยความอยากเช่นเวลา ถ้ากินตามเวลาตามความต้องการของร่างกายนี้กินตามเวลาตามความต้องการของร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดความอยากยาอย่างเงี้ยเวลาเรากินยาเรา ยังต้องดูแลร่างกายอยู่ต้องปล่อยให้ร่างกายอยู่เปล่าเวลาเราหายใจนี่เดี๋ยวร่างกาย การนี้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความอยากแล้วความอยากที่จะ สติสมาธิปัญญานี้มันไม่เสื่อมมันไม่แก่มันๆ ที่จะต้องจากเราไปในที่สุดต่างต้องจากเราไปในที่สุดเวลาเราอาลัยอย่าไปพึ่งของที่มัน ศีลทานเนี่ยเป็นเป็นธรรมที่จะเป็นที่พึ่งของเราทําทานเพื่อเราจะได้รักษาศีลได้รักษาศีลได้ แล้วใจจะได้มีความเมตตาจะรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลไม่ได้เดี๋ยวก็ไป รักษาศีลได้ก็ศีล 5 ได้ก็รักษาศีล 8 ก็ได้รักษาศีล 8 ได้ก็ไปเตร็ดแว่กอยู่ตามวัดได้ การไปอยู่เปกเวกแล้วก็เจริญสติ <c oughs> ให้สงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไปสนับสนุนองค์กรที่เสริมสร้างความสงบนุ่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมทําบุญกับวัด ทำมีเงินเหลือก็ไปทําทานถ้าไม่ต้องเก็บเอา หาหาก็หาเพียงพออยู่พอกินก็พอเราจะได้มีแล้วก็สบายร่างกายจะ เมื่อเลือกใช้รถยนต์ถ้าเราเลือกใช้รถยนต์ได้สบายรถมันจะติดไม่ติดน้ำมัน ก็จะไม่ต้องมากังวลกับการสูญๆมีอะไรมันต้องเสียต้องเสื่อมมีรถ ถ้ามันไม่มีวันเจ็บมันไม่มีวันป่วยสมาธิมีปัญญานี้ 24 ชั่วโมงก็อย่าเลยดิ้น 5 ก็ยากถ้าจะไม่ทํายากเนี่ยคนที่เขาทําคน เอาเลยเอ่อยังไม่พอก็มีตรงนู้นอีกนะได้ลงเอ่อวันหน่อย เอ่อคนงานก็ต้องมากันทุกวันอยู่ไม่กล้านี้ลงไม่ เอ่อพิธีกรรมพิธีกรรมมันน้ำหนักมันเบากว่าธรรมะสอนธรรมะคนได้ธรรมะไปนี้ได้ประโยชน์กับพาคน บ่าย 4:00 น. 5:00 น. ก็มาก็ไปออกบิณฑบาตมาถึงศาลาก็คนก็เต็มศาลากว่าจะใส่บาตร โอ๊ยไม่ต้องตัดไปแล้วตายไม่